เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสถอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส1ริอฤศภาคมพุทธศักราช2551เป็นวันพระวันธรมสวัสวนะวันฝังธรรม วันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจกันมาเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้เคารพนับถือของ พุทธศาสานิกชนทั้งหลายเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลคำว่าบุญและกุศลนี้มีความหมายว่าดังนี้บุญนี้แปลว่าความสุขใจความไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจกุศลแปลว่าความฉลาที่จะรู้ทันความหลงรู้ทันความโลภ รู้ทันความโกรธที่เป็นตัวเหตุสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่จิตใจของสัตว์โลกเป็นตัวที่หลอกให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าเราได้บำเพ็ญบุญและกุศลแล้ว ใจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจปราศ จ, จากความทุกข์ความเศร้าหมองต่างๆและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ในที่สุดนี่คือเป้าหมายของการบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ทำบุญเพื่อหวังความร่ำรวย เราหวังความสุขใจความสบายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเราจะได้ตัดภพชาติของเราให้น้อยลงไปตามํำดับแต่ถ้าเราไปเกิดยังต้องเกิดอยู่อ น, นิสง์ของผลของผลบุญที่เราทำก็ยังมีอยู่คือจะให้เรา มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราจะอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองมากจนเกินไปเราจะมีเวลาเหลือมาทำบุญมาสร้างกุศล ม, มาปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกินไปในที่สุด น, นี่คือ เรื่องของบุญที่เกิดจากการให้ทานดังนั้นอย่าไปหลงคิดว่าเราให้ทานสละทรัพย์ให้แก่วัดกับว่าแล้วเราจะร่ำรวยขึ้นมาภายในไม่กี่เดือนไม่กี่ปีอย่างนี้เป็นการเข้าใจผิดมีแต่เราจะยากจนลงไปมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราให้ทานทำบุญให้ทานมากขึ้น ทรัพสม บ, บัติที่เรามีอยู่ก็จะต้องมีน้อยลงไปแต่ความยากจนแบบนี้ไม่เป็นความเสียหายแต่อย่างใดเพราะเรายังพอมีพอกินอยู่เรายังไม่เดือดร้อนการทําบุญให้ทานนี้ต้องไม่เดือดร้อนไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองหรือผู้อื่นเช่นเห็นเขาโฆษณาว่าทําบุญแล้วจะได้สวรรค์ชั้นนั้นได้สวรรค์ชั้นนี้ กลับมาจะได้เป็นมหาเศรษฐีระดับนั้นระดับนี้ตนเองไม่มีเงินก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขาเพื่อที่จะมาทาบุญหรือทาบุญแบบผ่อนผ่อนเป็นงดๆวนอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทาบุญตามหลักพระพุทธศาสนาการทาบุญให้ทานตามหลักของพระพุทธศาสนานี้ท่านให้ทาตามกาลังของเรา ในส่วนที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ส่วนใดที่เรายังมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ใช้ไว้กินอยู่ที่จะต้องเก็บไว้ดูแลในวันข้างหน้าที่เราอาจจะเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยตกงานตกการไม่มีรายได้เราก็ควรที่จะมีเงินสะสมเก็บเอาไว้เพื่อที่จะดูแล ในยามยากได้แต่ถ้าเรามีทุกอย่างครบพอเพียงแล้วแล้วยังมีเหลืออยู่ส่วนที่เหลืออยู่นี่และเป็นส่วนที่เราไม่ควรเก็บไว้เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเรานำเอาไปทำบุญให้ทานเวลาเราตายไปบุญที่เกิดจากการให้ทานนี้ก็จะ ไปกับเราจะไปรอเราอยู่ข้างหน้าหลังจากที่เราได้กลับมาจากสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีฐานะที่ร่ำรวยกว่าเดิมเกิดจากอนิสงส์ที่เราทำบุญให้ทานในชาตินี้ดังนั้นเวลาทำบุญให้ทานอย่าทำด้วยความโลภด้วยความอยากได้ด้วยความอยากร่ำ อ, อยากรวย เพราะนี่ไม่ใช่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะความอยากนี้จะทำให้ใจมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนมีความหิวมีความกังวลไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะรวยสักทีทาตามที่เขาบอกแล้วกิจกรรมต่างๆกิจการต่างๆก็ยังไม่เห็นดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันมันคนละเรื่องกัน การทำบุญให้ทานนี้ไม่ได้เป็นเหตุให้กิจการการค้าของเราร่วงเริงแต่อย่างใดเส่นผลที่เราได้จากการให้ทานทำบุญในปัจจุบันก็คือความสุขใจความเย็นใจความสบายใจการที่ได้ชนะความโลภชนะความตนดีทำให้ใจเราไม่ต้องดิ้นรนกอดแกวงอยาก รวยมากขึ้นไปอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือเรื่องของการทําบุญให้ทานขอให้เราทําความเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เผื่อมีใครเขามาหลอกให้เราทําบุญเพื่อให้เราร่ำให้รวยนี้เราจะได้รู้ว่ามันไม่ได้รวยในชาตินี้มันรวยในชาติต่อไปถ้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ นี่คือนี่คือเรื่องของการทำบุญแต่เป้าหมายหลักของการทำบุญให้ทานนี้ก็เพื่อกำจัดความโลภความอยากเร่ิมอยากรวยนี้ให้มันน้อยลงไปกำจัดความตนีความหวงแหนในสมบัติเข้าของเงินทองเพราะมันจะทําให้จิตใจของเราคับแคบทําให้จิตใจของเราไม่มีความสุข การทำบุญให้ทานนี้จะทำให้ใจเราเปิดกว้างทำให้เรามีความเมตตามีมัตรีจิตต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันแต่ถ้าเราไม่ทำบุญให้ทานนี้จะทำให้เราเป็นคนตนหนีใจแคบเห็นแก่ตัวจะเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนไม่มีมิตราะไม่มีความเมตตามัตรีจิตนั่นเอง ยังขอให้เราเข้าใจว่าการทำบุญให้ทานนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจเป็นการตัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจเป็นการตัดภพตัดชาติให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเป้าหมายหลักของการสร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาจึงอยู่ที่การบรรลุถึงมรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานีก็คือสภาพของจิตที่อยู่เหนือของการเวียนว่ายตายเกิดในระดับต่ำถ้าได้มรรคผลขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าขั้นโสดาบันจิตของผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปหมายความว่าไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรก ถึงแม้จะเคยทำบาปทำกรรมมาอย่างใหญ่หลวงในอดีตชาติที่ยังไม่ได้ส่งผลให้ก็ตามผลเหล่านี้จะไม่สามารถฉุดลากจิตของพระโสดาบันนี้ตกลงไปสู่ในอบายได้อีกต่อไปจิตของท่านจะมีแต่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับตามกำลังแห่งการบำเพ็ญบุญกุศล จิตของพระโสดาบันนี้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆในชาตินี้ก็จะขึ้นไปสู่มรรคผลขั้นที่สองที่เรียกว่าสกิดาคามีเมื่อขึ้นถึงขั้นที่สองนี้แล้วพบชาติก็จะเหลือเพียงชาติเดียว จะเหลือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินหนึ่งชาติก็จะบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้ายังปฏิบัติยังบำเพ็ญบุญกุศลอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำสเสมอจิตก็จะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สที่เรียกว่าอนาคามีถ้าได้บรรลุถึงขั้นอนาคามีแล้วจิตดวงนี้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป จิตดวงนี้จะเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมและจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในสวรรค์ชั้นพรหมถ้ายังปฏิบัติต่อก็จะสามารถก้าวสู่ขั้นที่สคือขั้นของพระอารหันต์ได้ได้ก้าวถึงขั้นพระอารหันต์แล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดสิ้นไป เช่นจิตของพ่อพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายจิตของท่านนี้ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วไม่ไปเกิดในภพไหนทั้งสิ้นจิตของท่านได้ถึงพระนิพพานอันเป็นแดนอันประเสริฐเป็นแดนที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากความแก่ความเจ็บความตายมีแต่ความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย เป็นความสุขที่ถาวรเรียกว่าปรมังสุขขันนี่คือจิตของพระพุทธเจา้าจิตของพระอารหันตสาวกทั้งหลายหลังจากที่ได้บังเพนบุญกุศลคือการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเจริญสมทุทภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็จะได้ บรรลุถึงพระนิพพานในที่สุดนะเมื่อได้บรรลุแล้วก็หมดสิ้นกับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปส่วนถ้าเรายังไม่สามารถบรรลุถึงขั้นมรรคผลนิพพานได้เราทำบุญได้มากน้อยเพียงไรถึงแม้จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหม สวบุญสวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็จะเสื่อมหมดไปได้เราก็จะกลับมาเกิดเป็นเทพละจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าเกิดเอามาทาบาปทากรรมเราก็ยังมีโอกาสที่จะกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกไปเป็นเปรตได้นี่เกิดจากการที่ทำบุญ ยังไม่ถึงขั้นเต็มที่สร้างบุญสร้างกุศลยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้จิตไม่เสื่อมลงมาการทำบุญที่ยังทำให้จิตเสื่อมก็คือถ้าทำบุญให้ทานรักษาสิ่งแล้วก็นั่งสมาธิสามอย่างนี้จะทำให้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะยังไม่ได้สร้างกุศลคือปัญญา ที่เรียกว่าวิปัสนานั่งสมาธิแล้วต้องขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นวิปัสนาขั้นที่ขั้นเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงของภพชาติของสิ่งต่างๆที่จิตไปหลงติดอยู่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงถึงแม้จะได้กลับมาเกิดเป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีได้เพียงไม่กี่ปี ก็จะต้องตายไปใหม่แล้วก็ต้องไปเกิดใหม่แล้วก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ถึงแม้จะทำบุญรักษาศีล น, นั่งสมาธิได้จนได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแต่บุญนี้ก็จะหมดได้เหมือนกับน้ํามันรถน้ามันรถถึงแม้เราจะเติมเต็มถังถ้าเราขับไปเรื่อยๆไม่นานน้ํามันก็จะหมดถังบุญที่เราทาด้วยการ ให้ทานด้วยการรักษาสิด้วยการนั่งสมาธินี้ก็เป็นอย่างนั้นหมดได้ไป ส, ส่งเราไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมได้แต่ก็จะหมดกำลังพอหมดกำลังแล้วจิตก็จะต้องเสื่อมลงมาจากสวรรค์ชั้นพรหมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพและลงมาสู่มนุษย์พบของมนุษย์ใหม่ แล้วก็ต้องกลับมาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่ต่อไปถ้าสร้างบุญอย่างเดียวไม่สร้างกรรมก็กลับไปใหม่แต่ถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับก็ต้องเจริญทาอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาคือต้องศึกษาให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และในภพต่างๆทั้งทั้งสามภพในวัฏจักรนี้ ล้วนอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แปลว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงไม่นิ่งเฉยไม่อยู่คงเส้นคงวางเหมือนเดิมเช่นร่างกายนี้ไม่อยู่คงเส้นคงวางเหมือนเดิมตั้งแต่เกิดออกมานี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากทารกก็เป็นเด็กจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ชราจากผู้ชราก็เป็นผู้ตายนี่คือเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้และไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกายเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุต่างๆในโลกนี้ก็เปลี่ยนไปต้นไม้ก็เปลี่ยนไปต้นไม้ก็งอกออกมาจากดินแล้วก็จเจริญเติบโตและในที่สุดมันก็แก่ตายเหมือนกัน รถที่เราซื้อมาขับก็เหมือนกันซื้อมาขับมันก็ใหม่ตอนซื้อมาใหม่ๆมันก็ทุกอย่างก็ใช้ได้ครบถ้วนแต่พอขับไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็เสียตรงนั้นเสียตรงนี้แล้วก็ต้องออกไปซ่อมจนกว่าจะซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งมันไปเสื้อผ้าที่เราใส่ก็เหมือนกันใส่ไปแล้วมันก็จะเก่าแล้วมันก็จะขาดแล้วมันก็จะใส่ไม่ได้ ก็ต้องโยนทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอย่างนี้บ้านช่องก็เหมือนกันวัดวารามก็เหมือนกันสาราโบสถเจดีสร้างไปได้ไม่กี่ปีมันก็จะเสื่อมไปเช่นวัดวานในสมัยสุขโขทยัยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนนี้ก็กลายเป็นซากประวัตากพังไป นี่คือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งของสรรพสัตว์เป็นอย่างนี้ที่เราควรจะสอนให้ใจเรารู้ทันเพื่อจะได้ไม่หลงยึดติดกับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งต่างๆเพราะถ้าเราไปยึดติดแล้วเกิดมันเปลี่ยนไปเราจะเสียใจเช่นเรามีสามีมีภรรยาหรือมีลูกอย่างนี้เกิด ลูกของเราหรือสามีหรือภรรยาของเราตายจากเราไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจ ร, ร้องห่มร้องไห้เพราะเราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นเองเราไปยึดติดกับสิ่งที่ต้องจากเราไปต้องตายไปแต่ถ้าเราสอนใจไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วใจของเราจะรู้ทันจะฉลาดจะไม่ยึดติด จะรู้ว่าเป็นของชั่วคราวจะอยู่กับเราชั่วคราวเหมือนกับของที่เราไปยืมเขามาหรือเราไปเช่าเขามาเช่นเราไปเช่าหนังแผ่นมาดูเราก็รู้ว่าเราเก็บไว้ไม่ได้เราต้องเอาไปคืนเขาเพราะไม่ใช่เป็นของของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเป็นสมบัติรวมทั้งร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้น มันไม่ใช่เป็นของเราและเป็นสิ่งที่จะต้องจากเราไปถ้าเราสอนใจให้รู้ทันแล้วใจของเราก็จะได้ไม่ยึดติดกับสรรพสิส่สสสสสงทั้งหลายพอไม่ยึดติดแล้วเวลาที่สูญเสียเขาไปใจของเราจะไม่เสีย อ, อกเสียใจและในขณะอยู่กับเขาใจของเราก็จะไม่ทุกข์กงวลกว่าใจ จะไม่หวาดกลัวจะไม่กังวลเพราะว่าเรารู้ว่าจะกลัวอย่างไรจะกังวลอย่างไรจะรักอย่างไรจะหวงอย่างไรจะอยากให้อยู่กับเราไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนใจพอเปลี่ยนใจไม่ยึดไม่ติดปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริง ถ้าเขาถึงเวลาจะต้องจากเราไปก็ให้เขาไปเวลาที่เขาอยู่ก็อยู่ไปจะเป็นอะไรไปก็เรื่องของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้ถ้าเรามีหน้าที่สอนเราก็สอนเขาไปถ้าเรามีหน้าที่ดูแลก็ดูแลไปเท่าที่เราจะดูแลได้แต่เราต้องยอมรับว่าพวกเราทุกคนที่เกิดมานี้ ต้องเป็นผู้แพ้ในที่สุดไม่มีใครชนะความจริงนี้ได้ต่อให้เราดูแลรักษาสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆให้ดีขนาดไหนก็ตามแต่เราจะแพ้วันเวลาเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะไม่สามารถที่จะไปดูแลรักษาให้เป็นเหมือนเดิมได้ มันจะต้องเปลี่ยนไปของมันร่างกายของเราก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆร่างกายของคนอื่นก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้รักษาหายบ้างรักษาไม่หายบ้างถ้ารักษาไม่หายก็ตายไปในที่สุดทุกคนก็เป็นผู้แพ้ถ้ายังมากลับมาเกิดอยู่ไม่มีใครเป็นผู้ชนะ ผูชนะจะต้องเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเพราะท่านรู้ทันไตรลักษณ์นี้เองรู้ทันอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านรู้ทันสภาวะความเป็นจริงของสรรพสัตว์ของสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข ไม่ใช่ของเราถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ไปยึดติดกับอะไรไม่อยากได้สิ่งต่างๆเมื่อใจไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไปเกิดเหตุที่สับโลกที่ยังต้องมาเกิดอยู่เพราะยังมีความอยากเช่นพวกเรานี้ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทาน อาหารชนิดนั้นเครื่องดิมชนิดนี้อยู่ถ้าตราบใดยังมีความอยากเหล่านี้อยู่มันก็จะผลักดันให้ใจนี้ไปเกิดใหม่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจนี้เป็นเหมือนกับรถที่ยังเข้าเกียร์อยู่มันก็จะวิ่งต่อไปไม่มีร่างกายมันก็ไปได้ที่เรามาเกิดได้ก็เพราะว่าใจ ที่มันตายจากชาติก่อนนี้มันยังมีความอยากผลักดันให้เรามาเกิดและที่เรามาเกิดต่างกันก็เพราะบุญกรรมที่เราทำมานี้ไม่เหมือนกันนั่นเองถ้าเรากลับมาเกิดด้วยบุญคือกลับมาเกิดจากหลังจากที่ได้ไปใช้บุญไปเสวยบุญในสวรรค์แล้วแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เราก็จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมมีเงินทองมากกว่าเดิมถ้าชาติก่อนเราทำบุญให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นประจำแต่ถ้าเรากลับมาจากนารกหรือกลับมาจากการเป็นเปรตเราก็จะกลับมาแย่กว่าเดิมรูปร่างหน้าตาก็จะไม่ดีเท่ากับชาติก่อน สุขภาพร่างกายก็จะไม่ดีเท่ากับชาติก่อนอาการ32ก็อาจจะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์การเงินการทองก็จะไม่ดีกว่าเดิมถ้าเรามัวแต่ทำบาปทำกรรมอยู่ในชาติก่อนคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพุตผิดประเวณีพูดปดดมดเทศเศพษุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตร มีความเกียดคร้านถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็รับรองได้ว่าเราได้ตีตัวไว้สู่การไปเกิดในอบายและเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาเกิดในฐานะที่แย่กว่าเดิมนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทุกครูได้รู้ได้เห็นกันท่านจึงมีความห่วงใยมีความสงสาร ในศาสตร์นอกที่ยังไม่เห็นเรื่องราวเหล่านี้เพราะเขาไม่มีปัญญาไม่มีกำลังของสมาธิที่จะทําให้เขาเห็นดวงจิต ด, ดวงใจได้เขาเห็นเพียงแต่ร่างกายเขาคิดว่าเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบจะทําทบาปทากรรมมาขนาดไหนก็ไม่มีผลตามไปอีกต่ อ, ตอไป เพราะว่าน่างกายตายแล้วนั่นเองเหมือนกับทางกฎหมายเราไปฆ่าใครเขาตายแล้วถ้าเราฆ่าตัวตายไปทางกฎหมายก็ถือว่าจบกันไม่สามารถเอาโทษคนตายคนตายได้อีกแล้วแต่กรรมนี้มันเอาโทษผู้กระทาได้ผู้กระทาที่แท้จริงนี้ไม่ใช่กายกายเป็นเครื่องมือของผู้กระทาผู้กระทาก็คือใจนี้เอง เวลาใจเกิดความโกรธแค้นมากๆจนถึงกับฆ่าผู้ผู้ที่กระทำก็คือใจสั่งให้กายไปผู้กระทำเป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนปืนสั่งให้ร่างกายไปหยิบปืนไปหยิบมีดมาฆ่าผู้อื่นแต่ผู้ที่ฆ่านั้นไม่ใช่กายไม่ใช่ปืนไม่ใช่มีดแต่ใจนี่แหละเป็นผู้ฆ่าและเมื่อฆ่าแล้วกรรมมันก็จะตามใจนี้ไป จะสงใจนี้ให้ไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นอกจากจะสร้างบุญสร้างกุศลจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าท่านั้นอย่างองคุลีมานฆ่าคนมาถึง9ก้าคนแล้วแต่พอได้พบกับพระพุทธเจ้าก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนว่า ถ้าอยากจะบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่บรรลุด้วยการฆ่าผู้อื่นต้องบรรลุด้วยการฆ่ากิเลสคือฆ่าความโลภความโกรธความหลงพอองคุลิมาได้ยินได้ฟังก็เข้าใจก็เลยเลิกฆ่าผู้อื่นหันกลับเข้ามาฆ่ากิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆจนหมดสิ้นไปจากใจองคุลิมาก็เลยได้บรรลุเป็นพระอารหรันต์ แล้วก็ไม่ต้องกลับไปเกิดไปใช้กรรมใหม่อีกต่อไปเพราะสามารถทำจิตให้เข้าถึงพระนิพพานได้แล้วเหมือนกับพระนิพพานนี้ก็เป็นเหมือนกับหลุมหลบภัยนั่นเองเวลามีระเบิดจะตกลงมาเราก็เข้าหลุมหลบภัยระเบิดก็ไม่สามารถเข้าไปทำลายเราได้จิตของผู้ที่เข้าสู่พระนิพพานแล้วก็เป็นอย่างนั้นกรรมเข้าไปตามเอาไปใช้กรรมไม่ได้อีกต่อไป จะลากให้ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะมีเกราะคุ้มกันก็คือพระนิพพานนี่เองนี่แหละคือความสำคัญของการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะพาให้ใจนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ดังนั้นเวลาสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปคิดถึงเรื่องความร่ำรวยหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะถึงแม้จะกลับมาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นมหาเศรษฐีมันก็เพียงระยะไม่กี่ปี8 0ปี9กปีก็ต้องตายไปแล้วก็ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดไปทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่รู้กี่ล้านกี่โกดกี่กับ มันจะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราท ำ, ทำบุญทำกุศลเพื่อให้ได้ถึงมรรคผลนิพพานแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขอันเปรฐ เ, เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเวลาเราทำบุญทำกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดี ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาก็ดีขอให้เราทำเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้เราทำเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาเกิดเพราะนี่คือเป้าหมายหรือผลของการทำบุญทำกุศลนั่นเองถ้าเราไปหวังสิ่งอื่นแล้วเราเกิดเราไม่ได้ผลดังที่เราปรารถนาเราก็จะเกิดความท้อแท้ใจ เั่นบางคนก็บ่นว่าทำความดีทำบุญมาเยอะแต่ไม่ได้รับผลดีเลยมีแต่คนเกียดชังมีแต่คนกั่นแกล้งทำมาค้าขายก็ไม่เจริญรุ่งเรืองนี่มันเป็นคนละเรื่องกันมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการทำบุญทำกุศลเนเรื่องของการทำบุญทำกุศลนี้ต้องดูผลที่ใจของเราว่าใจของเราสงบมากน้อยเพียงไรทุกวุ่นวายใจมากน้อยเพียงไรต่างหาก นั่นคือผลของการทำบุญทำกุศลอยู่ตรงนั้นส่วนการทำอยากจะร่ำรวยนี้ทำได้หลายวิธีไปโกงเขาก็รวยได้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านเพราะการโกงผู้อื่นก็รวยได้แต่รวยแบบนี้มันจะต้องไปใช้กรรมต่อไปถ้าจะรวยก็ขอให้รวยด้วยความสุจริตอย่าไปโกงผู้อื่นอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปทำลายล้างผู้อื่น แต่ก็ไม่ดีเท่ากับการทำบุญทำกุศลเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญทำกุศลเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าการเธอ